รธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 1. ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพุทธศาสนาไม่ใช่กาฝาก โอ้เมื่อเช้าหลวงพ่อบินทบาทเกือบจะออกจากหมู่บ้านรู้สึกว่าฝนปกแ ป, กปลกปกแ ป, กปลกปกแปลกมืดครึ้มอย่างหนักหลวงพ่อเอ้ยขอให้ถึงสลาก่อเถอะฝนเ้อะวะพ่อมาถึงสลาล้างเท้าขึ้นมาเนทสัดลงอย่างแรงแลวโอ้โหฝนหนจักความจะแทบวะมาแล้วก็เทร่มเงินเลยบองใจบาท แต่ตามไม่จนิงมันก็นจะเทแส่หมองพวกเข้าใส่บาดวันแต่เข้าใส่ใส่สาราใหญ่เส่บาดเลยเลยปลอดภัยวัะนู้ไปตกแหงไปได้เขาก็บบได้แข็งฝนเนี่ยมันใส่ได้สาราใหญ่สบายเลยอใส่บาดฝนไม่ตกฝนก็เทอย่างหนักเลยถ้าลุงพ่อว่าถ้าตกขนาดได้สักสองสามชั่วโมงเนี่ยโอ้ น, น้ํานี่ยเปต้องพูดถึงนะอันนี้ตกไม่ถึง ประมาณชั่นาทีมั้งอาจจะไม่ถึงชวชด้ยซ้ำไปแต่เขารู้สึกโอแรงแรงมากๆแลเวเมื่อกี้เนะี่ยวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ปดค่ำเดือน11อวันนี้เป็นวันที่หนึ่งตุลาตุลาคมพุทธศักราช2557เจ แล้วก็วันที่แปดเป็นวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันพระขึ้นแปดค่าวันเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันพระของพวกเราอาจจะเกือบเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคณะสัตยาญาติโยมวันพระวันที่8นั่นก็ใช่เป็นวันออกพรรษาเป็นวันประวารณาเมื่อออกพรรษาแล้วก็นี่แหละ วันที่สิบสองตรงกับวันอาทิตย์ก็เป็นวันกระถินของพวกเรา ต, ต่อกันไปเรื่อยแต่ถึงยังไงในช่วงโค้งสุดท้ายเนะี่ยอย่าได้ขาดที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรให้ตลอดรอดฝั่งในพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วเราก็จะเด็ ขอพอรจากขอพอรต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราได้ปฏิปฏบัติดีปฏิบัติชอบตั้งจิตอธิษฐานในพรรษาปรารถนาอะไรอยู่ในกรอบของศีลธรรมความปรารถนานั่นก็จะประสิตประสาทให้พวกเราได้สำเร็จสมความมุขมาดปรารถนาแต่ถ้ า, าว่าพวกเรา โดยมากคนโบราณเขาชอบพูดนะเรือล่มบัตรจอดตาบอดเมื่อแก่ไม่ดีเรือล่มบัตรจอดก็คืออะไรเรารักษาคำสัตว์มาน่มนานาแต่พอจะสิ้นพอจะออกพรรษาแล้วมีอันเป็นไปคำสัตว์ของเราหรือว่าความตั้งใจของเราได้ขาดลงไปอันนี้ไม่ดีเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลาย ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นก็คือเป็นการเตือนย้ำไม่ให้พวกเราชะล่าใจในการประพฤติธปฏธิบัติของพวกเราให้ตลอดรอดฝังในพรรษาปี2557ันยใครตั้งคำสัตว์อันไหนไว้ก็จะให้ขาดตกบกพร่องจะรักษาศีลห้าหรือจะไหวพระทุกวันจะนั่งสมาธิแต่และคำสัตว์ที่เราตั้งเอาไว้จะได้ขาด ในการประกอบคุณงามความดีของพวกเราวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันสมาทานศีลห้าศีลอุโบสถศีลห้าศีลแปดเพราะเป็นวันพระที่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีล นะโมตัสสะภควะโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะทาที่เลนะในผพุติ ama, ันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยาตังใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังตามไม่จริงกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ ตำหนิหลวงพ่อบางการ น, นะขัานณ์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานตอนที่ฉันจังหารเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพูดเขาวางนั่นน่าจะฉันจังหารเลยพูดอย่างนั้นก็มีมีขึ้นมาแต่หลวงพ่อคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พร้อมที่สุดสําหรับคนที่มาวัดพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันแต่ในช่วงนี้ช่วงก่อนที่จะรับพร เ, เป็นภาคบังคับไกล แมนปะโตแกเป็นภาคบังคับไกลๆถ้าหากว่าไม่ได้ฟังหลวงพ่อพูดซะก่อนเี่ยจะไปรับพรเอยังไม่ได้แต่นี้ไม่มีการพูดไม่มีการให้พรไปเลยเพราะฉันจังหันเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันแตกกระจุยกระจายกันเ่ยที่หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังก็ไม่มีโอกาสที่จะพูด ผลในสุดก็เลยพวกเราก็เลยมาวัดกเกลยไม่เป็นผึกแผ่นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมถึงจะอึดอัดไปสักหน่อยแต่ไม่ใช่จะเป็นอึดอัดแต่พวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมนะหลวงพ่อเองคนพูดเี๋อึดอัดเหมือนกันพอเอนพราะยังไม่ได้ฉันจังหันแช่ไมล่ะอฉันจังหันแต่เมื่อวานเนี่ยมาวันนี้ก็ยังมาพูด อ, อีกครับ แต่กับพวกเราทั้งหลายมีเต็บนั่งฟังก็ไม่ทึ่งจะหนักหนาแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยทั้งพูดด้วยแสดงความคิดเห็นให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังด้วยแต่ก็พอเหมาะตามการะเทศะหลวงพ่อจะไม่พูดมากแต่ว่าบางคนบางกลุ่มเขากรนะตนิฟั ง, ฟ, งฟังเอาไว้นื้คณะทศไทยญาติโยมแต่อิทธิยิไม่นานหรอกหลวงพ่อก็คงจะเหมือนหลวงปู่บนมี หลวงปู่ลีเนี่ยถึงจะเอาไม้ไปจ่อปากเธอไหนท่านก็พูดไม่ออกเป็นฟับฟับฟับเนี่ยเพราะอะไรพราะแกใช่ไหมหลวงพ่ออินของพวกเราท่านทั้งหลายนะอีกไม่นานเมือเอ่อลุงพ่อพูดได้เนี่ยหลวงพ่อก็จะมีแสดงมีอะไรในความคิดเห็นในเรื่องอะไรหลวงพ่อก็จะแสดงให้ฟังพูดให้ฟัง เออหมดใส่หมดพุงว่าไงนะแบบหลวงปู่ล้าท่านว่าเปิดให้ฟังหมดใส่หมดพุ่งอันนี้เหมือนกันนะหลวงพ่อก็จะแสดงเรือดแนวความคิดให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังถ้าเมื่อถึงคราวหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็จะหยุดพูดเพราะอะไรเพราะมันแก่นะแต่ขณะนี้ยังพอพูดได้อยู่ก็แสดงความคิดเห็นให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังต้าว่าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟัง แล้วเรื่องราวมันจะรู้ได้ยังไงอย่างบางกลุ่มเขาก็บอกว่าหลวงพ่ออินขี้อวดทำอะไรขึ้นไปแล้วก็อวดอ้างบอกนั้นบอกนี่กล่าวนั้นกล่าวนี้หลวงพ่อเองในเรื่องนี้หลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งบอกว่าหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงนะลูกหลานนะถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกหลานฟังลูกหลานจะรู้ได้ยังไงว่าวัดวาศานานีสงเคราะห์โลกยังไง ทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมอย่างไรเพอร์เพอรโลกทั้งโลกเขาก็จะประ น, นามอีกแล้วนี่เห็นไหมัช่ไ ย, ยุคคอมมิวนิสตนะ์หลวงพ่อจังจำไม่ลืมขาว่าพระสงฆ์เป็นกาฝากของสังคมเป็นกิจอยู่เฉยเฉยเพราะนั่นถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยต้องจัดการออกไล่ออกกลุ่มหนึ่งละพ่อเห็นไห่เห็นไหมเมืองเรา เ, เพราะว่าเนี่ยเมืองต่างประเทศเมืองประเทศจีนกูนเหมือนกันเนี่ยเขาว่าเป็นการฝากของสังคมรพระสงฆ์ออันนี้ก็คือเขาพูดมาแต่ยุคสมัยนั้นแต่มันกินใจหลวงพ่อมาตลอดที่หลวงตามหาบัวท่านธรำพอท่านทําอะไรท่านก็บอกเออเราสงเคราะห์อทองคำํำได้ท่านั้นทอง น, นี้ตันทอง น, นี้กิโลนะเราได้ช่วยโรงพยาบาล น, นะเราได้ช่วยโรงเรียนนะเราได้ช่วยที่นั่นที่นี่นะ อันนี้คือเป็นรู ป, ปรธรรมส่วนนามธรรมที่ท่านสั่งสอนแนะนาให้กับพวกเราศีลธรรมอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้เป็นรู ป, ปรธรรมมันมองไม่เห็นพอพูดแล้วก็จบต่างคนก็ต่างเอาไปประพฤติปฏิบัติต่างคนก็ต่างได้ได้รับความสุขทางด้านจิตใจต่างคนก็ต่างเป็นคนดีเมืออ่อใดนาทำคำสอน ขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็เป็นคนดีอันนี้ไม่ใครมองไม่เห็นอวักคาความดีคนนี้นะแต่รูปธรรมแนละ้วมันมองเห็นนี่แหละหลวงตาจึงท่านจึงเอาทั้งรูปธรรมด้วยทั้งนามธรร ม, มทั้งนามธรรมด้วยทั้งรูปธรรมด้วยแต่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเอาแต่เรื่องออนามธรรมสอน รูปธรรมท่านไม่ค่อยได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ใครเพราะฉะนั้นเขาจึจงดูถูกพระพุทธศาสนาว่าเป็นกาฝากของสังคมสิ่งนี้มันหลวงพ่อประทับมาประทับใจมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเป็นเนนเป็นเนนน้อยสมัยคอมมอนนิสต์กําลังเฟื่องฟูในยุคสมัยนั้นมีคนยวนเข้ามาพูดกับหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าอ่านทุกที่ในประวัติหลวงปู่ล่านะมีจุดหนึ่งหลวงพ่ออยู่เน้นเหตุการณ์นั้นเหมือนกัน เขามาพูดบอกว่าพุทธศาสนาเป็นการฝากสังคมนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้ช่วยชุมชนสังคมหลวงพ่อก็พูดให้ฟังเป็นระยะระยะว่าช่วงนี้เราได้ช่วยอะไรบ้างอย่างที่ไม่เมื่อไม่นานมาเนี่เราก็ว่าเราได้คณะนะกลุ่มของเราเนี่ยคณะตนะัดทายาตโยมจะตุปัจจัยที่ได้ถวายหลวงพ่อมาเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไปรับย่างที่ไหนไปกีดยางที่ไหน เป็นเงินชดทาญาติโยมพวกเราเอามาถวายคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็รวบรวมมาไว้จากนั้นก็เป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้ช่วยซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นล้านเจ็ดแสนเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงเครื่องโอลิมปัสนี้หลวงพ่อก็พูดให้ฟังและก็ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ได้ช่วยเครื่อง กระตุ้นหัวใจให้กับโรงพยาบาลน้องโบลำพูแล้วก็เครื่องเครื่องนึ่งเครื่องมือแพทย์ให้กับน้องโนลำพูเราเนี่แหละแล้วก็เนี่ยเมื่อไม่นานเมื่อวานนี้ก็ทางอําเภอชุมแพก็เข้ามาอีกมาขอเครื่องมือที่หลวงพ่อเคยสงเคราะห์หลวงพ่อเขาไม่ปฏิเสธเรื่องช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่เขาก็อยากจะได้เครื่องผาตัดผาตัด ข้อกระจกเบาหวานและกัเครื่องตรวจหลังกระจกตาเบาหวานที่เป็นเบาหวานแล้วก็เครื่องผ่าตัดโพรงจมูกที่เป็นไซนัตอยู่ในเครื่องเดียวกันและก็บผ่าตัดเกี่ยวกับต่อมลูกหมากผู้ชายผู้สูงอายุแล้วก็อะไร 2- อสามอย่างที่เขาเสนอแต่หลวงพ่อเออ เรื่องผ่าตัดตาเนี่ยมันราคาตั้ง5้ล้านสี่ล้านเกือบห้าล้านแต่เรื่องต่อมลูกหมากกับโพรงจมูกเนี่ยหลวงพ่อรับไว้พิจารณาก่อนนะพอนล้านประมาณ 6, ล้านหกล้านเจ็ดประมาณนี้หลวงพ่อรับแล้วก็ให้หมอเข้ามาประสานดูหลวงพ่อก็จะช่วยเหมือนกันโรงพยาบาลชุมแพนี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยสงเคราะห์ แล้วก็วันที่สนีนะค ะ, ะัทธาญาตโยมวันที่วันที่สวันที่สเขาจะลงไปรับรถแอมบูรันที่ท่านเจ้ากรมที่เป็นประธานท่านเจ้ากรมบุญสืบพลโทบุญสืบที่ท่านกับคณะถวายจจตุปัจจัยมาเพื่อซื้อเครื่องซื้อรถแอมบูร์น ลุงพ่อก็ได้สั่งรถอแอมบูเลนตแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยวันศุกร์ที่สามทางศูนย์โตโยต้าอุดรจะลงไปรับรถอบแอมบูเล็ตขึ้นมาแล้วก็วันที่4มาถึงเขาจะตกแต่งตกแต่งรถอยู่ในสภาพเรียบร้อย ทุกอย่างและก็วันที่5เป็นวันอาทิตย์นะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานเขาจะมานํารถมาที่วัดของเราหลวงพ่อก็จะได้มอบรถให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธา น, นีหลวงพ่อจะไม่เก็บไว้นานพอมาถึงหลวงพ่อก็จะรีบมอบไปเลยเพราะอามาไว้ที่วัดเดี๋ยวหนูกัดอะไรกัดรถมีปัญหาอีกละเพราะฉะนั้นจุกหลวงพ่อพอมาถึงหลวงพ่อก็จะมอบเลยประมาณสักนี่ละสิบ เก้านาทิกาสิบนาิกานี่แหละวันอาทิตย์เนอะวันที่ห้านะพว ก, กนัศสัทยาติโจงผู้ใดจะมาร่วมมอบรถแอมเบรนนะราคาก็ล้านเก้านะรถคันนี้ลงเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะเอารถาระดับไหนหลวงพ่อบอกอรถเมืองอุดร น, นี่ยได้ตามเสด็จบ่อยแล้วเราจะไปเอารถสองพันห้าเนี่ยกำลังคงจะน้อยไป เอาสามพันเลยนะกำลังให้เพียงพอรถสามพันรถตู้แอมบูเลต์เขาาอุท้างั้นก็ประมาณล้านเก้านะหลวงพ่อถ้าว่าต่ำกว่านั้นราคาจะลดลงแต่รุ่นนี้ทั้งมีทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจมีทั้งออกซิเจนครอบอยู่ในนั้นหลวงพ่อเออเอาให้ครบตามที่ต้องตามที่ทางโรงพยาบาลเคยสั่งนั่นแหละเอา ล้านเก้าเนี่ยแต่เราหลวงพ่อไม่มีเงินมัดจำเขานะเออเอาเอาวาจาน่พูดกันวันพูวันที่ห้าเนี่ยเาจะมามอบให้ละเพราะนั้นพวกเราก็จะได้มอบรถให้มูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์ส่วนหนึ่งแล้วก็รับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เรานะหลวงพ่อไม่ได้จํากัดว่าให้คนคนกลุ่มใดชุมใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะให้หมด มอกหอยไปใช้ในโรงพยาบาลาลากกระทั่งศพใครตายไม่มีใครส่งศพเ้าวเอารถคันนี้ส่งไปถึงที่นี่แหละรถของให้มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจัดทายาติโยมเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือท่านหลวงพ่อไม่พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังลูกหลานทั้งหลายฟังได้มากระมุกมิบกระมอกห้อไปเลยใช่ไหมพวกเราท่านทั้งหลายโอ้หลวงพ่อของเราเนี่ย ไม่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเลยผ่ อ, อ, อมพากันเนี่ยหลวงพ่ออินได้เงินมาแล้วเก็บไว้ที่ไหน อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้ประกาศให้คณะัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังไม่ใช่ขี้อวดนะถ้าพูดจริงนะวันพุธวันที่หานะมาดู ก, ก็ได้นะหลวงพ่อมอบรถจริงๆนะั่นนะคิดว่านะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่มีอุปสรรคอันไหนอันไหนนะ ได้นัดกันไว้อย่างนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งที่พวกเราคณะทศไทยญาติโยมได้ทำลงไปก็เพื่อไม่ใช่เพื่อใคร เ, เพื่อพรพุทธศาสนา อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่เขาประนามว่าพระพุทธศาสนาเป็นกาฝากสังคมเขาไม่ได้ด่าหลวงพ่ออินองเดียวนะเขาด่าทั้งทีมเลยด่ามดทุกองเลยมันก็พูดที่ไม่ได้ ศึกษาให้ดีกดใช่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยพุทธพระสงฆ์เนี่ยแต่เขามองไม่เห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยช่วยแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้ได้รับความร่มเย็นเป็นถูกทางด้านจิตใจนั่นแหละอันนั้นเขามองไม่เห็นเขาก็เลยประนามประนามว่าพระสงฆ์เป็นกาฝากสังคมเพราะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงเนยเแสดงออกมาว่านี่นะพระสงฆ์นะ ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายนะได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมเนีเ่ยสำหรับองค์หลวงตาเองท่านเป็นผู้นําเอาทองคําเข้าคลังหลวงตั้งสิบสาตันกว่าแล้วก็พร้อมกันก็เงินสิบล้านกว่าดอลลาร์เข้าไปนอนสงบนิ่งอยู่ในคลังหลวงเป็นเครื่องประกันสําหรับให้เงินบาทของเรามีคุณค่าขึ้นเหมือนกับเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันธ น, น, นบัตร เป็นหลักประกันกระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยพวกเราที่ใช้กระดาษก่อนที่จะมีคุณค่าได้ก็ต้องมีสิ่งประกันรับประกันไว้เงินกระดาษแผ่นนี้นี่นะมีทองคําอยู่ในคลังหลวงนะอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือทําให้คุณค่าเพื่อใครพวกทําเพื่อใครเพื่อลงตายใช่ไหมหลงตาจะมุ่งหวังอะไรหลงตายจตินิพพานไปแล้วเพื่อใครถ้าไม่ง่เกินไปพวกเราคงจะ คิดได้นะถ้างโง่เกินไปแล้วก็คงคิดไม่ออกหลวงพ่อว่านะเอเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณาสัตยาธิยมลูกหลานทุกคนเนะ้ะที่พอ่อหลวงพ่อพูดทั้งนี้ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้ใช้สติใช้ปัญญาให้รอบคอบไอ้ไม่ใช่เขาเห่าไปยังไงก็เห่าไปตามเขาไม่ใช่นะลูกหลานเนะลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินแล้วก็ต้องใช้ความคิดใช้ปัญญา ที่หลวงพ่อพูดไปทําไปเพื่ออะไรถ้าคล่องใจสงสัยให้มาถามให้มาถามหลวงพ่อเองเลยหลวงพ่อทําอย่างนี้เพื่ออะไรทําไมมีเหตุผลอะไรหลวงพ่ อ, อตั้งเหตุผลไว้หมดแล้วเพราะว่าการเหตุผลแต่ละอย่างนี้บางคนมองต่างมุมอมองต่างมุมหลวงพ่ออาจจะมองมุมนึงจะอธิบายให้กับลูกคณะรัทธาญาติโยมและลูกหลานได้ฟังแต่ลูกหลานอาจจะมองมุมนึง อาจจะผิดเพี้ยนไปจากความคิดเห็นของหลวงพ่อแต่ถึงยังไงใครมีเหตุผลกว่ากันเมื่อเอามาถามไทยใส่กันแล้วใครหลวงพ่อมีเหตุผลกว่าพวกเราก็จะต้องออทำยังไงะถ้าพกลูกหลานมีเหตุผลกว่าหลูกผลพอกโอ้ใจต่อไปหลวงพ่อก็คงจะไม่ทำอย่างนั้ น, เ, นเพราะเหตุผลลูกหลานพูดโอ้ถูกต้องออยอมรับหลวงพ่อก็จะไหวยอย่างนั้นนะถ้าว่า ต่างคนก็ต่างหันหลังให้กันไปพูดคนละทิศคนละทางความไม่ดีไม่งามก็จะตกในกลุ่มของพวกเราเหมือนกันนะคณะทัพธาญาิโยมลูกหลานนะเนี่ยหลวงพ่อพูดไปฝนกำลังมาอีกเอารับพรได้จะนี่นะคณะสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรนะจะนี่ฝนตกฝนกำลังเริ่มลง